พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22สองชื่ออังคุตรานิการปัญจกะจักกะนิบาศเป็นสุดตันตะปิฎกพระตรยปิฎกเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่หนึ่งชื่อปัญจกะนิบาทว่าด้วยธรรมะจำนวนห้าตอนที่สองชื่อจักกะนิบาทว่าด้วยธรรมะจำนวนหกปัญจกะนิบาท ชุมนุมธรรมะที่มีห้าข้อในหมวดนี้จัดเป็นหมวดห้าสิบรวมห้าหมวดหมวดละห้าวรควรกละประมาณสิบสูตรกับประสูตรนอกหมวดห้าสิบอีกต่างหากรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบสา0ร้อสูตรปฐมปัญ น, นาฏหมวดห้าสิบที่หนึ่งในหมวดนี้มีห้าวรควร์ที่หนึ่งชื่อเสขาภลาวรคว่าด้วยธรรมะอันเป็นกำลังของพระเสขะ คือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษาวัคที่สองชื่อพละวักว่าด้วยธรรมะอันเป็นกําลังวักที่สามชื่อปัญจังขีกาวักว่าด้วยธรรมะมีองค์ห้าวักที่สี่ชื่อสุมาณาวคว่าด้วยนางสุมาณาราชกุมารีวัคที่ห้าชื่อมุนทราชวักว่าด้วยพระเจ้ามุนทะ วรที่หนึ่งเสขะพราวก์ว่าด้วยธรรมอันเป็นกําลังของพระเสขะตรัสแสดงกําลังของพระเสขะห้าอย่างอันได้แก่กําลังคือความเชื่อความอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปความเพียรและปัญญาและได้ตรัสแสดงธรรมยักย้ายในต่างๆโดยอาศัยหลักธรรมห้าประการที่กล่าวนี้เช่น ถ้าขาดธรรมะเหล่านี้จะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันระ้วหวังทุกขติได้เมื่อสิ้นชีวิตแต่ถ้ามีธรรมะเหล่านี้จะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแล้วหวังสุ ข, ขติได้เมื่อสิ้นชีวิตวรกที่สองชื่อพละวรกว่าด้วยธรรมะอันเป็นกำลัง ตรัสแสดงกำลังห้าของพระตถ า, าคตเช่นเดียวกับข้อที่หนึ่งและได้ตรัสถึงธรรมะอันเป็นกำลังห้าอย่างอันได้แก่กำลังคือความเชื่อความเพียรความระลึกได้ความตั้งใจมั่นและปัญญากับได้ตรัสว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะห้าอย่างชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น คือตนเองสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและชักชวนผู้อื่นเพื่อให้สมบูรณ์ด้วยธรรมะเหล่านั้นถ้าขาดในด้านตนเองหรือในด้านชักชวนผู้อื่นในทางใดทางหนึ่งหรือขาดทั้งสองอย่างก็ชื่อว่าบกพร่องในทางนั้นๆสำหรับธรรมะห้าอย่างนี้ เคยให้ความหมายไว้บ้างแล้วศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาธิคือการทําใจให้ตั้งมั่นปัญญาคือการรู้เท่าทันความจริงวิมุตติคือความหลุดพ้นวิมุตติญาณทัศน์คือการรู้ด้วยญาณว่าหลุดพ้นแล้วเรียกว่าธรรมขันห้า วักที่สาชื่อปัญจังคิกวักว่าด้วยธรรมะมีองค์ห้าตรัสว่าภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีที่พึ่งประพฤติไม่สมส่วนในเพื่อนรมจารีเป็นไปไม่ได้ที่จะบำเพนธรร ม, มะที่เป็นมารยาท ธ, ธรร ม, มะของพระเสขะศีลความเห็นชอบและความตั้งใจมั่นชอบให้บริบูรณ์ได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะบำเพ็ญธรรมะที่เป็นมารยาท ธ, ธรรมะของพระเสขะกองศรรีลกองสมาธิและกองปัญญาให้บริบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีความเคารพมีที่พึ่งประพฤติสมส่วนในเพื่อนพรมจารีจึงเป็นไปได้ที่จะบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์ได้ทรงแสดงว่า ความเศร้าหมองแห่งจิตห้าอย่างคือความพอใจในกามความคิดปองร้ายความหดหู่ง่วงงุนความฟุ้งซ่านราคาญใจและความลังเลสงสัยทั้งหมดคือนิวรห้าทำให้จิตไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ผ่องใสเปล่งปลังไม่ตั้งมั่นด้วยดีเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเปรียบเหมือนเหล็กโลหะดีบุก ตะกัวและเงินเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งทองฉะนั้นเมื่อจิตปราศจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญาหกมีการแสดงริษได้เป็นต้นมีการทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเป็นที่สุดทรงแสดงว่าบุคคลผู้ทุศีนมีศีลลวิบัติย่อมไม่มีคุณธรรมดังต่อไปนี้ ขาดอุปนิสัยคือสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบยะถาปูตยานทัทสนะความเห็นด้วยญาณตามเป็นจริงนิพพิธาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดวิมุติยานทัทสนะความเห็นด้วยญาณซึ่งความหลุดพ้นถ้ามีศีลก็ตรงกันข้ามคือมีคุณธรรมเหล่านี้ มีอุปนิสัยสมบูรณ์ทรงแสดงว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบที่องค์ห้าอนุเคราะห์แล้วย่อมมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผลมีอานิสงค์คือศีลการสดับตรับฟังการไต่าถามโต้อตอบสมถะหรือความสงบจิตและวิปัสสนาคือความเห็นแจ้ง ทรงแสดงวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นห้าประการที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรจะมีจิตที่ยังไม่หลุดพ้นได้หลุดพ้นจะมีอาสวะที่ยังไม่สิ้นถึงความสิ้นไปคือหนึ่งศา ส, สดาหรือเพื่อนพรมมารีที่เคารพแสดงธรรมให้ฟังภิกษุก็เห็นอัตเห็นธรรมเกิดปีติปราโมท มีกายสงบเวยสุขมีจิตตั้งมั่นสองพิสุแสดงธรรมที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วแกลบผู้อื่นโดยพิสดารก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมั่นสภิกิุตรึกตรองเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะที่ได้ฟังแล้วเรียนแล้วก็เห็นอัดเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมั่น สีิกษุอื่นเอาสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งไว้ด้วยดีใส่ใจด้วยดีทรงจำด้วยดีแทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาก็เห็นอัตเห็นธรรมจนถึงมีจิตตั้งมั่นทรงแสดงว่ายานห้าย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนแก่ผู้เจริญสมาธิอันไม่มีประมาณ สำหรับคำว่าไม่มีประมาณตรงนี้อัตถกาถาแก้ว่าเป็นโลกุตระธรรมยานห้าย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนแก่ผู้เจริญสมาธิอันไม่มีประมาณผู้มีปัญญารักษาตนมีสติเฉพาะหน้าคือความรู้เกิดขึ้นเฉพาะตนว่าหนึ่งสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบา ค, คือผลต่อไป2 สมาธินี้ประเสริฐไม่มีอา m ิ t รคือไม่มีเยื่อล่อสสมาธินี้คนชั่วซ้องเสพไม่ได้สสมาธินี้สงบประณีตได้มาด้วยความสงบระงับกิเลสบรรลุความเป็นธรรมะอันเอกเกิดขึ้นไม่ต้องบรรลุด้วยใช้ความเพียรข่มธรรมะอันเป็น่าสึกห้ามกิเลสห้า สมาธินี้เราเข้าออกอย่างมีสติทรงแสดงการเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีองค์ห้าคือหนึ่งภิกษุเข้าสู่ฌานที่หนึ่งมีกายนี้เต็มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกคือความสงัด 2. ภิกษุเข้าสู่ฌานที่สอง มีกายนี้เต็มไปด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิสภิกษุเข้าสู่ฌานที่สามมีกายนี้เต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติสภิกษุเข้าสู่ฌานที่สี่แผ่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปสู่กายนี้หภิกษุถือเอานิมิตในการพิจารณาด้วยดี ใส icism, ่ใจด้วยดีทรงจำด้วยดีแทงทะลุด้วยดีด้วยปัญญาซึ่งนิมิตในการพิจารณานั้นเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาสัมมาธิอันเป็นอริยะนี้ย่อมเป็นไปเพื่ออภิญญาหกมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นทรงแสดงอานิสงส์ในการเดินจงกรมห้าประการ การเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาด้วยความมีสติอา น, นิสง์ของการเดินจงกรมห้าประการคืออดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อความเพียรมีอาภาษน้อยอาหารที่กินดื่มเกี้ยวลิ้มรสแล้วยอมย่อยไปด้วยดีสมาธิที่ได้ในขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน ตรัสแกพระนาคิตะแสดงพระประสงค์ไม่รับรองพรามรหมคฤหาบดีชาวอิจฉานังคละผู้เตรียมของเคี้ยวของฉันมาที่ป่าอิจฉานังคละส่งเสียงเอ็ดอึงอยู่ที่ซุ้มประตูโดยทรงแสดงว่าผู้ใดไม่ได้รับโดยง่ายซึ่งความสุขอันเกิดจากการออกจากกามหรือเนคขมมะซึ่งความสุขอันเกิดจากความสงบจากการตรัสรู้ ผู้นั้นย่อมยินดีความสุขอันไม่สะอาดความสุขเกิดจากการนอนหลับและความสุขอันเกิดจากลาบสกา ร, ระชื่อเสียงแล้วทรงแสดงว่าหนึ่งบุจจาระปัสสวะย่อมมีแก่ผู้ที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสสองความเศร้าโศกเป็นต้นย่อมเกิดเพราะความปรวนแปรเป็นอื่นแห่งสิ่งที่รัก สความเป็นของหน้ากเกลียดคือปฏิกูลในนิมิตรหรือเครื่องหมายที่ไม่งามย่อมตั้งอยู่แก่ผู้ประกอบเนืองเนืองซึ่งนิมิตว่าไม่งาม 4. ความเป็นของปฏิกูลในผัสสะผัสสะคือความถูกต้องอารมณ์มีรูปเสียงเป็นต้นความเป็นของปฏิกูลในผัสสะย่อมตั้งอยู่แก่ผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยง ในอายตนะสำหรับถูกต้องหกอย่างมีตาหูเป็นต้น 5. ความเป็นของปฏิกูลในความยึดถือยอมตั้งอยู่แก่บุคคลผู้พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปในขันห้าที่ยึดถือนี้เป็นผลแต่ละข้อของห้าข้อนั้นวรรคที่สี่ ชื่อสุมนาวัต์ว่าด้วยนางสุมนาราชกุมารีตรัสตอบปุจฉาของพระนางสุมนาราชกุมารีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าประเสณที่โกศลตรัสตอบว่าสาวกของพระองค์สองรูปมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันแต่รูปหนึ่งเป็นผู้ให้อีกรูปหนึ่งไม่เป็นผู้ให้ ถ้าไปเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์รูปที่เป็นผู้ให้ยอมได้รับสิ่งห้าสิ่งอันเป็นของทิพย์อันเป็นของมนุษย์เหนือกว่ารูปที่ไม่เป็นผู้ให้คือเหนือกว่าทั้งอายุผิวพันธ์ความสุขยศและความเป็นใหญ่ถ้าออกบวชเป็นบรรพชิตรูปที่เป็นผู้ให้ก็จะเหนือกว่าโดยฐานะห้าคือ ต่อเมื่อมีผู้ขอร้องจึงบริโภคปัจใจสี่มากถ้าไม่มีผู้ขอร้องก็บริโภคน้อยถ้าอยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเพื่อนพรหมจารีก็ประพฤติต่อเธอด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันน่าพอใจโดยมากที่ไม่น่าพอใจมีน้อยย่อมนำมาให้แต่สิ่งที่น่าพอใจโดยมากสิ่งไม่น่าพอใจมีน้อย แต่ถ้าบรรลุความเป็นพระอระหันต์ไม่มีอะไรต่างกันระหว่างความหลุดพ้นของผู้หนึ่งกับความหลุดพ้นของอีกผู้หนึ่งตรัสตอบพระนางจุนทีราชกุมารีถึงผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยโดยรู้ว่าเลิศอย่างไรตามแนวแห่งความเลื่อมใสสี่ประการในหมดก่อน และมีศีลที่พระอริยเจ้าใครว่าจะเข้าถึงสุขติไม่เข้าถึงทุกติเมื่อล่วงลับไปหลานชายของเมญท ก, กะเศรษฐีชื่ออุกขะห์มีมนพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุรวมสี่รูปไปฉันแล้วขอให้ตรัสสอนหญิงสาวหลายคนที่จะไปสู่สกุลแห่งสามีจึงประทานโอวาทห้าคือหนึ่ง พึงปรารถนาดีรับใช้ปฏิบัติและอูดจาด้วยดีต่อมารดาบิดาของสามี 2. แสดงความเคารพต่อบุคคลที่สามีเคารพเช่นมารดาบิดาสมณพราหมณ์รวมทั้งจัดที่นั่งและน้ำให้เมื่อมาถึงบ้าน 3. ขยันไม่เกียจคร้านพิจารณาจัดทำการงานภายในบ้านของสามี ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับขนแกะหรือฝ้ายสรู้การที่ควรทำและไม่ควรทำต่อคนภายในบ้านของสามีเช่นทาสคนรับใช้กรรมกรดูแลคนเหล่านั้นเมื่อเจ็บไข้จัดแบ่งอาหารให้ตามส่วนหรักษาทรัพย์เข้าเปลือกเงินทองที่สามีหามาให้ดี ไม่ทำตนให้เป็นคนเสียหายเช่นเป็นนักเลงเป็นขโมยหรือทำลายทรัพย์หมายเหตุข้อความในพระสูตรนี้แสดงว่าการนิมนต์พระสีรูปไปฉันถือเป็นการมงคลอธถกถฐาก็อธิบายอย่างนั้นกิจการงานภายในบ้านของคนสมัยนั้นมีเกี่ยวกับขนแกะและฝ้ายแสดงว่าบ้านใหญ่ ปั่นได้ทอผ้าใช้เองและแสดงว่าสตรีมีส่วนรับผิดชอบการเงินด้วยตรัสตอบสีหาเสนาบดีถึงเรื่องผู้ให้ทานยอมได้รับผลปัจจุบันสี่ข้อคือหนึ่งเป็นที่รักของคนเป็นอันมาก 2. สัตว์บุรุษยอมคบหาสม มีเกียรติศัพท์ปุ้งไปสเข้าสู่สมาคมองค์อาจไม่เก้อเขินส่วนผลในอนาคตมีหนึ่งข้อคือตายไปแล้วเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์สีหาเสนาบดีกราบทูนว่าสี่ข้อแรกไม่ได้เชื่อเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสแต่เชื่อเพราะเห็นจริงด้วยตนเอง ส่วนข้อหลังไม่ทราบจึงต้องเชื่อตามพระผู้มีพระภาคตรัสแสดงอนิสง์ของทานซ้ำกับขั้งต้นแล้วตรัสเรื่องทานที่ให้ตามการห้าคือหนึ่งทานที่ให้แก่ผู้มา 2. อทานที่ให้แก่ผู้ไป 3. าทานที่ให้ในเวลาข้าวยากสี่ ทานที่ให้ในเวลาข้าวออกใหม่ 5. ผลไม้ออกใหม่ที่ถวายในผู้มีศีลตรัสว่าผู้ให้โภชนะหรืออาหารชื่อว่าให้อายุผิวพัธุ์สุขกำลังและปฏิพานและตนก็จะได้สิ่งเหล่านั้นอันเป็นทิพย์บ้างเป็นของมนุษย์บ้าง ทรงแสดงว่ากุลบุตรผู้มีศรัทธามีอานิสง์ห้าคือหนึ่งสัตบุรุษย่อมอนุเคราะห์ก่อน 2. ย่อมเข้าไปหาก่อน 3. ย่อมรับของถวายก่อน 4. ย่อมแสดงธรรมให้ฟังก่อน 5. ผู้นั้นตายไปย่อมเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์ ผู้มีศรัทธาย่อมเป็นที่พึ่งของคนหมู่มากคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนต้นไซใหญ่ที่เกิดในพื้นดีในทางสีแพร่งเป็นที่พึ่งของนกทั้งหลายฉะนั้นทรงแสดงว่ามารดาบิดาเห็นฐานะห้าจึงปรารถนาบุตรคือหนึ่งบุตรที่เราเลี้ยงแล้วจะเลี้ยงเราสอง จะทำกิจให้ 3. สกุลวงจะตั้งอยู่ยั่งยืน 4. บุตรจะปฏิบัติตนให้สมเป็นทายาทผู้รับมรดก 5. เมื่อเราตายแล้วจะเพิ่มให้ซึ่งทักกินาสำหรับในข้อ5้านี้รู้สึกว่าจะถือเป็นธรรมเนียมสำคัญของชาวอินเดียสมัยนั้นอันโตชนะ คือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านตรัสว่าอันโตชนะอาศัยหัวหน้าสกุลผู้มีศรัทธาย่อมเจริญด้วยศรัทธาศีลการสดับการบริจาคและปัญญาวรรคที่หชื่อมุนทาราชวักว่าด้วยพระเจ้ามุนทะ ตรัสแสดงสิ่งที่พึงได้จากโคกสัพห์5ประการคือ 1. เลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรยาทาตกรรมก ร, รให้เป็นสุข 2. เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 3. ใช้ใจในคราวมีอันตรายเกิดขึ้นเพื่อทำตนให้มีความสวัสดี 4. ี่ทำลีหมีญาติพลีเป็นต้นห ถวายทานแด่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบตรัสแสดงว่าสัตว์บุรุษเกิดในสกุลยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนเป็นอันมากคือแก่มารดาบิดาบุตรภริยาทาตกรรมกรเพื่อนฝูงและสมณพราหมณ์ตรัสแสดงสิ่งที่น่าปรารถนารักใค่ชอบใจแต่ได้โดยยากห้าอย่าง คืออายุผิวพันุ์สุขยศสวรรค์แล้วทรงแสดงว่าจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะเหตุเพียงอ้อนวอนหรือปรารถนาหรือเพราะถ้าได้เพราะเหตุอ้อนวอนหรือปรารถนาแล้วใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรหมายถึงคงได้สิ่งที่ต้องการหมดผู้ใครจะได้สิ่งเหล่านี้ควรบำเพ็ญปฏิ ป, ปทาที่ทำให้ได้สิ่งเหล่านี้ จ, จะได้ตรัสว่าผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจผู้ให้สิ่งที่เลิศประเสริฐและประเสริฐสุดย่อมได้สิ่งที่เลิศประเสริฐและประเสริฐสุดและเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่ที่เกิดนั้นๆตรัสแสดงความไหลามาแห่งบุญกุศลห้าอย่าง คือภิกษุบริโภคจีวรวินทบาต ท, ที่อยู่อาศัยเตียงตังยาแก้โรคของคู่ใดเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีประมาณอยู่ความไหลามาแห่งบุญกุศลอันให้ผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์อันไม่มีประมาณย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนารักใคร่ชอบใจแก่ผู้นั้นอย่างนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ ทรงแสดงความถึงพร้อมและทรัพย์อย่างละห้าประการอันได้แก่ศรัทธาศีลการสดับการสละและปัญญาทรงแสดงฐานะที่เครงเรงไม่พึงได้ในโลกห้าอย่างคือขอให้สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาอย่าแก่อย่าเจ็บไข้อย่าตาย อย่าสิ้นไปอย่าพินาศไปเลยปุตชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่พิจารณาย่อมเศร้าโศกส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมตรงกันข้ามตรัสสอนพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้ทรงมีความทุกข์เสียพระไทยเกี่ยวกับการสวรรคตของพระนางมาลิกา ในทํานองเดียวกับข้อความข้างตน้นพระนาระทะอยู่ในกุกุตารามกรุงปาตาลีบุตรทูลพระเจ้ามุนทะผู้ไม่เป็นอันเสวยเมื่อพระนางพัฒาเทวีสวรรคตในทํานองเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วข้างตน้นสําหรับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ภายหลังปรินิพาน เมื่อสร้างกรุงปาตลิบุตรแล้วแต่เนื้อธรรมะยกของเก่ามาแสดง